ปฏิบัติไปเรื่อยๆชาวทีคนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางเชียงใหม่พวกชาวต่างประเทศปฏิบัติกลุ่มนั้นประมาณเจ็ดแปดคนกลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเคยมาปฏิบัติด้วยที่แพร่แสงเทียนก็ต่อมาเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษเก่ง เป็นพระปฏิบัติแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องครอบครัวไม่สะดวกก็เลยซึกออกไปซึ่ออกไปก็ไปทำสำนักปฏิบัติที่เคยทำมาเขาทำต่อเ ป, เป็นเป็นครื่องหัยแหละแล้วก็มีชาวต่างประเทศไปเขาเรียกว่า My โฟไม d ฟ a ด็ดฟาม ประชาชนประเทศก็มาอบรมประจำํำคนที่อบรมเบื้องต้นไปเริ่มที่นั่นคนนที่มีเบสิกตั้งใจก็ส่งมาที่เด ม, มาก็เลยในช่วงเช้าช่วงเย็นดีก็ต้องอมาก็ต้องใช้อะไรพอโทรศัพท์ามาก็เปิดสปีกเกอร์นั่นน้นใช้สกายอบรมแล้วเดนี้นนชาวต่างประเทศก็สนใจเยอะขึ้นนะ การที่เราได้ศึกษาแล้วค่อนข้างต้องตั้งใจจริงจังยเฉพาะช่วงหนึ่งที่ต้องไปทํำที่อเมริกาที่ยุโรปเพราะว่าเขาเห็นใจเขาต้องลา ง, งานมาคนห้าวันเจ็วันนั่งเครื่องบินมาแต่แกไกลแล้วงานแต่ละ ง, งานก็คิดเป็นชั่วโมงที่นั่นไม่ได้เป็นวันเป็นเดือนเม่เหรเป็นชั่วโมงนั้นเมื่อเขาลามาได้คนตั้งใจสูงมากนะ ก็ดูแลเอาใจใส่้ชาวต่างประเทศคนหนึ่งก็ไม่เราก็จะไม่รับเยอะสิบหรือสิบหคนไม่เจ็ดแปดค น, นการดูแลทั่วถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมาฐานเป็นเรื่องอสำคัญอย่างสูงทีเดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนหนังสือแต่ว่าเป็นการเรียนจะจะทธรรมเป็นการเรียนตัวเองซึ่งถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือ เข้าใจผิดเนี่ยโอกาสที่ตามแก้กันก็ยากนะผิดแล้วผิดเลยก็โอกาสความก็น่าทางจิตวิญญาณก็จะงไปนะ น, นั่นก็อยากจะให้พวกเราได้ตั้งใจศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงใจนะแต่อาจจะไม่จริงจังก็ได้ถ้าจริงจังอาจจะเครียดจริงใจหมายความว่าหาวิธีที่จะศึกษาทุก ทุกทกส่วนของร่างกายและจิตใจขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ส่วนไหนที่จะเป็นอุปสรรคเราก็พยายามดิกเลี่ยงส่วนไหนที่จะเป็นตัวเกื้อกูลเราก็พยายามเอาใจใส่แล้วก็ขนขวายหาวิธีเอาเองเ mm hmm. มื่อวานเร า, เราพูดถึงเรื่องของปรับเสียงอิดหนึ่งเสียงมันยังไงมูหนะ่อ <c> ย <oughs> เสีงแหลมพูดถึงเรื่องของรูปนาม ก็ส่วนใหญ่พอจะจับหลักได้แล้วเน้นย้ำในช่วงเย็นอีกวันเมื่อวานอีกช่วงหนึ่งว่าการเข้าใจรูปนามมีสองลักษณะลักษณะแรกเราต้องใช้สัญญาซะ ก, ก่อนคือหมายความค่อยจดจำออตจำอาการที่ที่สื่อให้เข้าใจว่าเขาพูดถึงรูปนามก็พูดถึงความรู้สึกตัวทีนี้ช่วงแรกเราก็พยายาม จดจำความรู้สึกตัวเท่าที่รู้สึกได้ก่อนแต่ว่าการที่เราจ ะ, ะรู้สึกตัวนั้นได้กล่าวแล้วนะมีรูปแบบนะรูปแบบที่เป็นตั้งเจตนาที่จะรู้และรูปแบบที่เราโดยที่หาเจตนาที่จะรู้หรืออาจจะ เวทนาที่จะรู้ไม่เต็มร้อยอย่างงี้ไม่ใช่ไม่รู้ร้อยหนึ่งอาจจะ30มสิ0้าเจ็ดสิทีนี้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันมีสองประเภทความรู้สึกที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางใจเรียกว่าเป็นสติทีนี้ระหว่างความรู้สึกที่เป็นสติกับเวทนาเนี่ยทางฝรั่งเขาจะแยกกันไม่เคยออกเท่าไหร่ระหว่าง feeling ก e hm. ับ conscious หรือว่า sense อะไรเงี้ยมันใช้ความ sense กับ feeling feeling ใกล้เคียงกับ conscious หลังไปใช้คําว่าสติว่า conscious ซึ่งเรามาใช้คาวำ conscious เป็นเรื่องของการรับรู้คือ consciousness เ็เรื่องของจิตวิญญาณแต่เราพอเอามาใช้คําว่า mindfulness เขาก็ยังสื่อไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่พอมาใช้ aware เขาก็สื่อได้ที่นี่เขาว่า aware ในความหมายที่เขาเข้าใจในการตระหนักรู้ซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องตระหนักรู้ต่อสิ่งข้างนอกถ้ากลับเข้ามาตระหนักรู้ในสิ่งเราในเรามักจะเติมคําว่าเซลล์เอาไีกีหนึ่งซึ่งดวงเข้า่าสติสมัชย์ ญ, ญัณใ น, นความรู้สึกตัวที่เราน่าจะเข้าใจได้ตรงตรงชัดๆก็คือให้ต่อฐานมาจากเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทางกายให้ชัดๆก่อน ความรู้สึกทางกายแยกให้เห็นว่าความรู้สึกทางกายมีสองลักษณะลักษณะที่เราดูว่าความรู้สึกนี้เป็นเราและลักษณะของความรู้สึกนี้เป็นแต่เพียงความรู้สึกเช่นว่าความปวดขาปวดนั่นปวดนี่ร้อนหนาวเนี่ยถ้าเราจะดูว่าความรู้สึกประเภทนี้เป็นเราเนี่ยมันก็จะเกิดต่อเชื่อมเข้าไปความรู้สึกทางใจด้วยจะเกิดความพอใจไม่พอใจแต่ถ้าาดูความรู้สึกในฐานะเป็นความรู้สึก มันไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจได้ดูมันอีกเป็นลักษณะหนึ่งอันนี้ใกล้เคียงกับว่าสติขึ้นมาแล้วมันมีตัวแยกเพราะนั้นตัวแยกระหว่างความรู้สึกว่าเป็นเรากับความรู้สึกเป็นความรู้สึกเนี่ยโดยสติจะเป็นตัวแยกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เจริญสติแบบนี้เราจะไปแยกความรู้สึกที่เป็นเวทนาทางกายกับทางจิตออกจากกันไม่ได้เลยเพราะว่าสัญชาตญาณได้สอนเรามาตลอด หลายพบชาติกับกันมันก็เป็นจำติดวิญญาณมาเป็นแล้วระีละสัญญาคือมันจำอย่างมั่นคงอะยากที่จะลบเลือนได้แต่พอมาเรามันเน้นความรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยเาไปเยอะเข้าเยอะเข้าตรงนี้ก็จะไปแยกระหว่างความรู้สึกเวทนาที่เป็นเรากับความรู้สึกเป็นเวทนาที่เป็นความรู้สึกทางกายล่นๆเรียกว่ารูปนะ ถ้าเราไปดูความรู้สึกภเวนาเนี่ยเป็นเดามันก็จะกลายเป็นนามรูปแต่ถ้ามาแ่อไรเราแยกให้เห็นความรู้สึกทางกายคือความรู้สึกทางกายคือไม่ไปสำคัญมันหมายว่ามันเป็นความรู้สึกของเรามันก็จะเป็นความรู้สึกทำนามคือใกล้เคียงความรู้สึกกับสติมากขึ้นนะ ตัวนี้เรียกว่าส่วนรูปนามเมื่อเราเห็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกไม่ได้เห็นความรู้สึกเป็นเราตัวสติก็จะตั้งได้ในความรู้สึกประเภทนี้ความรู้สึที่เป็นสมาสติความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะตั้งได้อยู่ในเวทนาประเภทนี้เวทนาจึงเป็นที่ตั้งของรู้สึกทั้งรูปทั้งนามแต่ในส่วนที่เป็นรูปเป็นอาการของรูปเราเรียนรู้จาก กายที่เป็นลมหายใจบ้างเป็นอดีตบทสีที่เราสวดมาบ้างเป็นอดีตบทย่อยคูเหยียดเคลื่อนไหวที่เรายกยกมือเป็นอตอนที่สของอดีตบทย่อย<ม>ใช่ไหมที่ว่าสัมมินชิเตป่าสาริเตเท่าที่1ก็คืออภิกกนเตปฏิเกตเตตอนที่2ก็คือ อ, อ, อ, ค อ, อโลกิเตวิโลกิเตเห ล, ลวซ้ายเลวขวาซึ่งการ เดินหน้าถอยหลังก็ดีกรรันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดีเราก็ไม่ได้ทำเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวพอมาดัดแปลงการเคลื่อนไหวมือเราก็เอาตัวสมินชิเตปาสาธิตเตมาทำประกอบก็คือการหูเข้าการเหยียดออกเหยียดออกในปาสาธิตเตการคู่เข้ามาในสัมินชิตเตปาสาธิเตตรงนี้ก็ไปไปตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนั่นแหละ ก็กไม่ยากในส่วนที่เป็นกายคือเป็นเพียงรูปแบบต่อจากนั้นมาก็เป็นอะไรปัจจิตสังขติปัตจิติวราธาเนการรู้สึกต่อการแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้สอยอะไรเล็กเ็กน้อยพวกนี้เครื่องส่วนตัวที่เราเข้าไปรู้สัมผัสด้วยเนี่ยให้รู้สึกวิจาระปัสสะกเมสัมปะชนะการิโหติเข้าห้องน้ำมึงส้วมหนักเบาก็ตาม ดูอาการเหล่านี้ให้ชัดๆการดูตามอาการทางกายเหล่านี้เรียกว่าอิริบุตรย่อยต่อมาก็การปีเตสายีเตขายีเตยคือการเคี้ยวการดื่มการลิ้มอะไรต่างๆที่เราผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกผ่านทางลิ้นทางลาคอลงไป ก, ก, ก็รถก็จะปวดแล้ก็มี ค, ความรู้สึกส่วนหนึ่งมันก็คือเวทนาส่วนหนึ่งมันก็คื อ, อความรู้สึก ต่อมาก็บอกว่าให้รู้สึกตัวทุกพร้อมในการไปการมาการนั่งการพูดการหยุดกันนิ่งการตื่นการหลับพวกนี้ก็ให้ตามรู้ไปนี่เป็นอาการที่เป็นอีโบดย่อยนะนี้เราก็เอาตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมาตอกย้ํากับอีโบดใหญ่ที่เราซอยออกไปอีโบดใหญ่การยืนเดินนั่งนอน ขัชั้นโตวาขัดชามิตีประชานาติเมื่อว่าเราเดินก็ให้รู้ชัดชัดเพราะนั้นเรื่องทางกายเรื่บทท่านให้เน้นให้รู้ชัดว่าประชานาติเมื่อเราเดินอยู่ให้รู้ชัดชัดว่าเรากำลังเดินอยู่เพราะรู้ชัดชนี่เป็นเหตุให้เกิดสัมมญชยและปัญญาทีโตวาทีโตมหติเมื่อนั่งก็เมื่อยืนก็ให้รู้ว่ายืนให้รู้ชัดว่ายืน นิสินโนวานิสินโนมะฮิตปัชานติเมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดๆว่าเรานั่งให้รู้ชัดว่านั่งในบทนั่งมีอะไรบ้างรู้ลงไปชัดๆมีความรู้สึกทางกายก็คือเวทนาเย็นเลอนอ่อนแข็งเข่งตึงปรากฏรู้ชัดลงไปว่าความเย็นเลิอนอ่อนแข็งเข่งตึงปรากฏเนี่ยมันลึกแค่ไหนถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะดูมันก็ผื่นๆใช่ไหม ก็จะไม่เห็นอาการที่ละเอียดลงไปการที่เราเน้นการเฝ้าดูเวทนาให้ละเอียดลึกลงไปในทุกเส้นทุกส่วนทุกเซลล์ที่เราที่ปรากฏที่เราสามารถจะสื่อกับมันได้เนี่ยการดูเข้าไปในละเอียดแบบนั้นเรียกว่าตัวรู้สึกตัวแต่เราก็จะความหมายที่จะละเลยตัวเวทนามันก็จะถูกละเลยไปเราดูเวทนาเป็นเพียงทางผ่าน เหมือนกับเราลดน้ำต้นไมน้เราลดน้าต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อจะให้ได้รากไม้ได้แทรกซึมลงไปดูดหาธาตุอาหารได้โดยง่ายนั้นตัวน้ําก็จึงเป็นตัวกอบเหมือนเวทนาที่จะทําให้ดินนั้นล่วนซุยเพื่อที่จะให้รากไม้ได้อย่างรากลงไปตัวสติสมรยบัญญาคือรากไม้ที่วานหาแสวงหาอาหารตามความร้วนซุยของดินรูปน้ําก็คือดิน น้ำก็คือตัวเวทนาตัวสติสมาธิปัญญาที่สติคือเมล็ดพืชเป็นซีสโดยซีสตัวนี้เมื่อได้รับการรดน้ำใส่ปุ๋ยผูดินก็จะเกิดการแตกงอกอย่างรากเป็นตัวสมัมพันญยะแต่ตัวสมัมพันธยะนี้ก็จะดึงดูดเอาธาตุอาหารในดินขึ้นมาขึ้นไปสู่ลำต้นออกเป็นออกเป็นผลเป็นใบก็เป็นเสมือนเป็นปัญญามันจะสัมพันธ์กัน ทุกคนจอมีซิดหรือมีเขาใช้ัำว่านอแห่งพุท ธ, ธมเมล็ดแห่งพุท ธ, ธมเมล็ดแห่งโพ ธ, ธิเ น, ธนี่ยมีอยู่แล้วในใจคนทุกคนแต่เราจะนำไปลงดินไหมถ้าค้างอยู่บนหิ่งบนสองตลอดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรามีความรู้สึกตัวทั้งกายทั้งเวทนาอยู่แล้วทุกคนแต่แล้วว่าความรู้สึกทางกายเวทนานี้เราจะเอามาลงใน รูปในาน้ําของเราไหมเมื่อลงในรูปในาน้าแล้วเราจะขยันร ด, ดน้ําใส่ปุ๋ยพืดินไหมการที่เรามาใจใส่ิดความรู้สึกกําหนดตามดูตามสังเกตตามดูเฝ้าดูอะไรพวกนี้คือการร ด, ดน้าใส่ปุ๋ยพืดินละทีนี้ตัวเมร็ดของมันคือสตินี่ก็ค่อยแตกค่อยงอกลงไปตามลาดับนี่คือเปรียบเสมือนถึงการปลูกพืชนะเพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ ท่านใช้คำ ว, ว่าพุทธเกษตรถ้ายังไม่เก็บหนังสือกาลุณาเปิดหนังสือไปหน้า173 173จ็ดสามเแล้วหนึ่งสี่หนึใช่ไห ม, ไมใช้คำ ว, ว่า พีชะพีชะพุทธเกษตรพุทธเกษตรสองมทสุดท้า ย, ยนะตั้งแต่ข้างบนมาเป็นคาถาแวดล้อมเฉยๆหรือขยับขึ้นไปนิดเดียวชื่อว่าวานพืชคือบุญทั้งหลายในพระธรรตนตัดอันเป็นเนื้อนาบุญอันดี ล, ลงมาสองมทสละคำสัตว์ที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นอนักวาทีในโลกได้ตัดไวแล้วว่า ศรัทธาของเราเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและคันไถ่สติเป็นเงินไถใจเป็นเชือกสติเป็นผานและประจักอันนี้คือคือข้อความที่บอกถึงว่าพุทธเกษตรควรจะปลูกหว่านอย่างไรนะในตรงไหนนี้ท่านบอกว่าศรัทธาของเราเป็นพืชศรัทธานี้เป็นมริดพืช น, นะแต่ถ้าหากในขั้นวิปัสนาขึ้นไปนี้สติเป็นเมล็ดพืชแต่ในนี้ในขั้นของ เรียกว่าสมมุติเนี่ยอาศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนที่เรายกมือสร้างจ้าว่าคือการรดน้ำเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและขันไถก็หมายว่าเ็ต้องพลิกฟื้นพื้นดินเนี่ยให้เหมาะควรเที่จะหวานพืชฮิริเป็นงอนไถหมายวามว่าต้องมีฮิริอุตรปะมีความอายชัวว่วโกบาปเนี่ย เป็นส่วนที่จะเกาะเกี่ยวเอาความเชื่อมต่อระหว่งางภาหนะชักยูงจะเป็นควายเป็นวัวเป็นรถอะไรก็แล้วแต่แต่ใจเป็นเชือกแต่เป็นเชือก ท, ที่จะบังคับวัวหรือควายที่ลากยูงเนี่ยให้ไปตามร่องตามรอยก็เหมือนกับว่าใจของเราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องสติเป็นผานและประตับก็คือว่าตัวที่จะพลิกฟื้นผืนดินขึ้นมา ให้ลึกให้ตื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของสติเป็นต้นนะมีการเพราะคาถาบทนี้ที่พระเจ้าตัดก็ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่ง mm hmm. เห็นนักบวชออกบิณฑบาตกันทุกวันเต็มตลาดที่เราเห็นตลาดทั่วไปใช่ไหมตอนเช้ามาก็เห็นพระที่นี้คนที่ยังเป็นมิจฉาทิถีหรือไม่เรื่มใส่ในพุทธศาสนาก็นึกในใจว่าไอ้พระนักบวชพวกนี้ไม่ทํามาหากินไลยตอนเช้ามาก็ถือบาตรออก ไปขอลูกเดียวเนี่ยอมันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านหรือเปล่าเขาก็วิจาร์ในแง่ของคนที่เป็นศาสนาและที่อื่นน่ยที่เขาไม่เรี่ยงสายพุทธศาสนาที่วันหนึ่งพระคนนี้ก็ไปทัทกถูกพระพุทธเจ้าเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้าหรอกเขาไม่ได้มีอะไรความแตกต่างคนทั่วไปเนี่ยไปทักถูกท่านเอ๊ท่านไป อ, ออกมาหรือบาตขอข้าวชาวบ้านที่ทุกวันจะมีอะไรตอบแทนเขาบ้างเนี่ยมี ปุถิยาก็ตัดคาถานี้ว่าเราทำนานตลอดก็คือเรามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะทำทั้งวันนี่เราทำน า, นานของเราการที่เราออกมานี่ก็คือเอาเมล็ดพืชมาหวานพอทำนาแล้วได้เมล็ดพืชหวานก็คือชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นสมณะที่เดินด้วยความสำรวมแล้วก็ มีอากาปิียหน้าเรื่องใสเนี่ยก็คือขวานเม่เล็ดพืชคือตัวทําให้ผู้พบเห็นได้เกิดศรัทธาเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดกุศลจิตเมื่อกุศลจิตแล้วก็จะเกิดการซักไซตไต่ถามอย่างท่านเข้ามาถามนี่แหละถามแล้วเลื่อนเกิดก็เราก็จะมีโอกาสได้บอกได้ชี้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรนะนั้นการทําความเพียรของเรามีปัญญาเป็นแอกและขันไถ มีปัญญาเป็นแอกและกระถายคืออุปกรณ์ในการที่จะทําให้พลิกฟื้นหมายถึงว่าตัวศติปัญญาที่มีอยู่ที่ได้ฝึกฝนจากการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยก็จะไปสร้างศรัทธาด้วยการพูดให้ฟังด้วยการทําความเข้าใจนี่เป็นการพลิกฟื้นจิตใจที่หลงงมงายหรือเชื่ออะไรไปทางผิดทางไม่ดีทั้งหลายเนี่ย ก, ก็กลับมาได้สติขึ้นมาลักษณะก็เลยพลิกฟื้นขึ้นมา เพราะนั้นพระสมณะทั้งหลายที่ที่ทำอย่างนี้ถือว่าได้ทำนาแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ด้วยการเราทำนาตลอดทั้งวันท่านยังทำเป็นบางช่วงบางคราวเท่านั้นแต่เราผลออกมานั้นเป็นอมะตะคือหมายความบริโภคแล้วเนี่ยทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่นาของท่านทาแล้วได้กินข้าว ผลผลไม้ก็ยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่ไม่ใช่ผลที่เป็นอมตะแต่ออมตะของเราเนี่ยอันวักต่อมาสุดท้ายเขาบอกว่ า, าอะไรนะมีอมตะเป็นผล<ม>ใช่ไหมมีอมตะใครนะทํานาทำได้อย่างนี้ย่อมมีอมตะเป็นผลนะจะมีอมตะเป็นผลคือหมายเขาว่าได้คุณธรรมที่ไม่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์คือไม่ทุกข์คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เขาว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในพุทธศาสนามม่ถึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทางกายนะกายนี้ไม่ต้องแก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แล้วแต่ความหมายในด้านปรมัตา์การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของอารมณ์อารมณ์คงที่ไม่แปรปวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เศร้าหมองการโศกเศร้าพิรำพันเศร้าหมองการแสดงความเสียใจไม่พอใจต่างๆคือการแก่การเจ็บการตายโอ้คนนั้นนั่งมหาชั่งจั่น คุอะไรคุณว่าอัจฉริย์นั่งหน้าอกน่าอจารย์เลยนะหลับนั่งง่วงไม่อัจารย์เลยนะต้องตื่นเป็นของอัจารย์นั่งง่วงไม่อัจารย์เพราะนั้นต้องให้อัจารย์อย่างอย่างเชื่อเลยละ่ะต้องพยายามความตื่นให้เป็นอัจฉรย์ถ้าใช่ว่าปฏิหารอาการตื่นอยู่ใช่ไหมอะไรนะมิะริเคิลไมฟูนิสใช่ไหมปฏิหารดีด้รันเพราะนั้นต้องทําให้เป็นมิริเคิลให้ได้นะ อย่าเปหลับตาลืมตากว้างดูหน้าหลวงพ่อชัดๆแล้วมาเจะตื่นนะฮะอย่าไปนั่งกุมหล่าตาเงีจะทําให้เราขาดความตื่นรู้นะ <c oughs> พยายามปลุกอิสีให้ตื่นอ ย, อย่าไปาเป็นแนวร่วมทวมนถ้าเราตานี่ถือว่าเป็นแนวร่วมของนุกวนันหายใจลึกๆ ล, ล, ลืมตากว้างๆนะแล้วจะเห็นว่าเรามาปลุกเพื่อชนิดนี้ต้องตื่นตัวตั้งแข็งแรง คนจะทำนาได้ไม่ใช่คนอ่อนแอต้องมีความแข็งแรงทั้ง ec หเมื่อพุ้ทีเจ้าอธิบายอย่างนี้ปักถามคนนั้นก็เปลี่ยนใจลต่อไปใส่บาทุกวันเลยทีนี้แล้วก็ชอบสนทธนากับพระถามนู่นถามนี้ก็เปลี่ยนใจจากการนับถือลทัทธิอื่นก็หันมานับถือพุทธอย่างนีนะ้อันนี้คื อ, อข้อความตรงนี้ทีนี้ต่อมาเมื่อเราเข้าใจรดน้าใส่ปุ๋ยบนดินก็คือการเอาดูแลเอาใจใส่ ต่อการสังเกตต่อการเคลื่อนไหวปวดเล็กๆน้อยๆต่อความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏในกายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดที่เราเรียกว่าเวทนาในส่วนใหญ่ที่เราจะสังเกตคือในส่วนที่ห ย, ยาบๆคือปรากฏเป็นความไม่สบายแล้วคือในส่วนหยาบแต่ในส่วนกลางก่อนที่มันจะหยาบมาอย่างนี้เห็นไหมว่าก่อนที่มันจะมาจ็บมาปวดมาตึงแบบนี้มาเริ่มต้นมาจากไหน ย้อนกลับคืนไปอีกที่ย้อนกลับคืนได้มาถึงจุดนี้เราจะย้อนอยังไงวิธีย้อน <c oughs> วิธีย้อนดูเวทนาที่ละเอียดแล้วเป็นกลางมีวิธีย้อนอย่างไรวันใหม่ถ้าตอนนี้เวทนามมันหยาบเราสมมติว่ามันใหม่นั่งอย่างนี้เขาตึงขาตึงเลยใช่ไที่มันถือว่าหยาบละ <c oughs> ที่จะกลับไปดูทั้งต้นใหม่ที่มัน ตั้งแต่ละเอียดมาถึงกลางถึงยามเนะี่ยจะตั้งต้นย้อนกับประตูได้อย่างไรถ้าเป็นนึกเอาว่าต้นมันเป็นอย่างนี้กลางเป็นอย่างนี้คงปเป็นเรื่องของความนึ ก, ก น, นะเป็นของไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าย้อนแบบความจริงย้อนอยังไงสมมุติดวงทว่านั่งท่าเ น, นี้ย อ, อ่าก็ปรับเอาสติเข้าไปปรับท่าใหม่ก็คือมีการอะไรใช้หลักของอนิจจังอย่าลืมกฎข้อที่หนึง่ง กลับไปตั้งต้นถ้าใหม่จากหยาบกันมาเป็นละเอียดคือสบายแล้วใช่ไหมที่ตั้งต้นแล้วก็เริ่มตามดูก็ไปใหม่นี่คือใช่ตัวหลักของอนิจจังนั่นแหละแต่ว่าตั้งใจแต่ที่อนิจจังที่มันจากหยาบกลางสุดเป็นอนิจจังโดยธรรมชาติใช่ไหมเป็นกฎของอนิจจังของรูปแต่การที่เรามีการพลิกเปลี่ยนนี้เป็นอนิจจังที่เรา ตั้งใจที่ให้เกิดเพราะนั้นตัวอนิจจังที่เราตั้งใจให้เกิดนี่เองคือตัวแก้จากอยากมาสู่ละเอียดใหม่แล้วมันก็ไปสวนอนิจจังของธรรมชาติใหม่จากได้อียสักพักหนึ่งเริ่มสบายสักพักก็เริ่มหนักไปเรื่อยๆแล้วก็เอาอนิจจังของธรรมเข้ามาเอาอนิจจังของธรรมเข้ามาแก้สลับกันอยู่อย่างเนี้แต่ว่าเราต้องตรหนักรู้ว่าเรา เออตอนนี้มันไต่ไปถึงระดับนี้แล้วนะฉันจะเปลี่ยนไปทางนี้นะให้เห็นขบวนการนี้ชัดๆถ้าสมมุติไม่เห็นขบวนการนี้ชัดๆมันไม่ชัดไม่แจ้งในใจเมื่อไม่แจ้งในใจต่อไปถ้าเราไปศึกษาเรื่องจิตเนี่ยถ้าสมมุติเราจมคิดเรื่องเนี้ยหยาบละใช่ไหมจมคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันหยาบแล้วทีนี้เราจะกลับมาเป็นละเอียดทําไงเพราะมันมันจมคิดในเรื่องนั้นแล้วนะ พอได้สติปับ๊บอ๋อฉันคิดไปแล้วไปไกลแล้วเนี่ยถือว่าหยาบแล้วใช่ไหมที่จะมาตั้งต้นให้มันรู้ความคิดนี้สมัยทําไงทําอาการเดียว ก, กันกับที่เราจัดการกับกายก็คือใช้อนิจังอย่างมีสติคือเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์นั่นคือเปลี่ยนเรื่องใช่การเปลี่ยนเรื่องมาตั้งตั้งต้นคิดใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ น, นี่หมายความว่าได้สติที่เป็นตัว เราจะเปลี่ยนคือเป็นลักษณะของนิจังใช่ไหมแล้วตั้งสติถึงไม่เปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ตั้งสติใหม่เปลี่ยนมาที่กายตมาที่กายเอามาตั้งต้นที่กายใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องขิ้ใหม่นะขอโทษเปลี่ยนที่กา ย, ายกาย็กมาดูกายใหม่ส่วนพอมาตั้งต้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันไปนไงมันก็เป็นไปนตามกฎของไจรักใหม่ใ <laughs> จรักตามโดยธรรมชาติาหารเรื่องคิดใหม่แล้วก็ม่ตามดูมก่อน ตามดูเออเบื้องต้นมันเริ่มอย่างนี้นะทำกลางขณะมันคิดอย่างนี้นะทีนี้จะไปให้มันถึงที่สุดหรือไม่เนี่ยปเป็นเรื่องของเราแล้วทีนี้จะให้ไปถึงลพลิกกลับมาใหม่ทีนี้ตลกไปตลกมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดทักษะในการตั้งสติแต่ส่วนใหญ่มันไปแล้วเราไม่รู้ว่านี่ปัญหาใหญ่ <laughs> มันไปแล้วยาวเหยียดเลยยาวไปทั้งหลายตลแล้ว เมื่อมันหยาบมากเข้ า, ม, ามันก็ออกมาเป็นอะไรเป็นกรรมละกายกรรมใช่ไหมหาเรื่องพูดนี้ก็กับเพื่อนง่วงไปหาเพื่อนพูดหยาบไปละหรือออกมาเป็นกายกรรมหรืวประจีกรรมออกมเป็นประยกรรมคืออาจจะห น, นี้ปเข้าห้องน้ำเสียอันนี้ไปนอนเสีอันนี้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหมงายความว่าหลบไปเลยแทนที่จะแก้ไขกันตรงนั้นน่นนะแต่เราไม่ทันไงมันก็พาเราไปนั่น เป็นกรรมละนะชวนจะดีจะไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งละทีเนี้ยแต่ให้รู้ว่ามันออกมาเป็นกรรมนะดังนั้นในวันนี้นะให้ไปศึกษาเรื่องนี้ศึกษาเรื่องว่าความรู้สึกที่สบายเลี้ยงไปพรอรู้สึกที่ละเอียดเราทนได้สบายเรียกว่าสุขเวทนานะแต่เนื่องจากว่ามันก็เป็นไปตามกฎนี่คือเวทนาทางกายนะ ก็เป็นไปตามกฎของตจลักคือมันจะเริ่มเปลี่ยนไปสักพักมันก็หน่วงสักพักมันก็หนักพอหน่วงหนักปั๊บเราก็ศึกษามาันซะก่อนเอาเก็บความรู้เก็บอะไรจากมันให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งมันไปกลับมาใหม่เก็บสติเก็บสมาธิปัญญาจากกฎของอนิจจังโดยธรรมชาตินั่นเองลักษณะที่เราเข้าไปเก็บรายละเอียดเช่นว่าเออหนักตรงนี้มันหน่วงมันลึกแค่ไหนมันกิน อลัสไมีกว้างแค่ไหนมันเริ่มที่จ้อยหัวเข่าตรงไหนตรงหนึ่งนี่นะมันเริ่มไปถูดาวโพกเริ่มไปถูสันหลังเริ่มไปสู่ไปยังไงลองบิดลองทดสอบมันดูพอได้ความรู้จากมันพอสมควรเทียบมันไปตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยหลายๆรอบเราทําอย่างนี้นบ่อยๆมันเกิดทักษะทางกายซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมสมมติว่านั่งไปมันง่งหาวอสเนี่ยถือว่า เป็นขั้นหยาบเลยใช่ไหมทีนี้ไอ้ไอ้มันขั้นหยาบแต่ว่าพอไปสู่รายละเอียดเนี่ยเราไม่รู้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้ว่ามันหยาบตรงเพรามันอาปากหาวใชแล้วอย่างงี้นะอันนี้คือข้อยากของมันเพราะบางทีอาการหยาบเหล่านี้มันไม่ได้ออกมาในแง่ของทุกขเวทนาแต่ออกมาในแง่ของอาการอื่นเช่นขี้เกียจอย่างเงี้ยมันบางทีมันไม่ได้บีบขั้นอะไรใช่ไมเดี๋ยวรู้สึกมัน เ, อ, เ อ, อ, ออเพลินเพินเฉยเฉยอ่ะเออไม่ ความไม่ใส่ใจเกิดขึ้นละความไม่ใส่ใจความเพลินนำไปสู่ความง่วงละที่นี่อยาบละที่นี่ที่นี่เราจะรู้ทันไหมมวงไปเราจะรู้ทันขั้นไหนให้พลิกขั้นนั้นขึ้นอยู่กับความไวของสติถ้าความไวของสติเรามีความเร็วสูงมากพอมันเริ่มเราก็เริ่มเริ่มตามไปละแต่ถ้าหากว่าความไวของสติมีความความต่ำว่าโล w f ความถี่ต่ำมากบางทีมันไป ง่วงทั้งหลายรอบเรายังไม่รู้เลยว่าลงง่วงนะนะถือว่ากำลังของสติมีความถี่ต่ำเพราะนั้นเราก็จะต้องฝึกซ้อมกายตัวการรู้ตุกตัวเนี่ยให้บ่อยให้ชัดแล้วให้ชัดเจนไว้เสมอตัวชัดเจนเนี่ยมันจะมีเนื้อหางความรู้สึกที่แน่นใช่ไหมที่แน่นทีน่มีเนื้อนะนะแต่ถ้าเราทำแบบเพลินๆผิวๆพุ่นๆเนีเ่ย ทำต้งเยอะแต่ได้นิดเดียวมันไม่มีเนื้อมีแต่น้ําแต่เราอนี่คนที่ตั้งใจทําชัดแต่คนที่ตั้งใจทําชัดเนี่ยมีข้อเสี่ยงอยู่อย่างหนึง่งข้อเสี่ยงต่อการเพ่งนะอันนี้ต้องแยกให้ออกนะระหว่างความชัดเจนกับการเพ่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยที่ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนใครตั้งข้อสังเกตได้บ้างระหว่างความชัดกับการเพ่งเพ่งใช้คําว่าฌานใช่ไหมแต่ชัดตัวนี้ใช้คําว่าปชานาติ หรสัมปชัญญะคําว่าชาญกับสัมปชัญญะคืออันหนึ่งมันรู้ทั่วพร้อมถ้าดูตัวชัดนี่นะรู้สบายสบา ย, บายและทั่วพร้อมแต่ถ้ารู้แบบเพ่งเนี่ยมันจะอ่ามันจะเกร็งใช่ไหจะจ้องใช่ไหมจะมีะมาการโฟกัสเพียงจุดเดียวอันนี้คือข้อแตกต่างมเมื่อเรารู้ข้อแตกต่างนี่แล้วก็ตัดสินแล้วอ๋อนี่ต่เพ่งแล้วนะอย่าตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนานเกินไปแล้วก็ร่างกายและท่าทีก็เริ่มเกร็งขึ้นทีละนิดนิด แล้วก็ปรับออกมาเป็นสัมปชัญญะคือรู้ให้ทั่วใช่ไหมก็จะให้ทั่วแล้วก็ทําผ่อนคลายถ้ารู้จักแยกอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําตัวนึ่งยากขนาดไหนก็ไม่เครียดเพราะมันมีการดีแลกและการผ่อนคลายในตัวของมันเองนี่อันนี้เราศึกษาในรายละเอียดนิดหนึ่งนะว่าการศึกษาเวทนาทั้งสามระดับสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็เวทนากางกลางคือยังไม่ไม่ชัดเวทนาที่ไม่ชัด ซึ่งในแต่ละรุ่นมันเน้เสมอว่าตัวอาทุกขมสุขเวนนาตามตำราก็แปลว่าความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมเอ๊ะมันเป็นยังไงไม่สุขไม่ทุกข์นะพรานั่งไปปั๊บมันก็ไม่สุขก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วมันเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ตอนไหนอ่ะเอามาว่าไม่แปลผิดคุณแปลนี่ผิดแน่นอนเลยแปลว่าอาทุกขมสุขเวนนาคืออาการที่ไม่สุขไม่ทุกข์เอามาเลยแปลหมาว่าอาทุกขมสุขเวนนาคือไม่ชัดเจนอาการของสุขและทุกข์ที่ปรากฏ เพราะอะไรตัวร่วมของอุทกโมสูรนะต่อไปพัฒนาเป็นอุเปิขาใช่ไหมอุ ป, ปิขาเวทนาไปว่าเฉยอะไรเฉยเมยแต่ถ้าเป็นอุปิขาสัมพอ่อชงไปว่าเฉยมองอันนี้เจ้าขุณประยุทธ์ท่านท่านให้เดฟิเนชันไว้อย่างนันะเฉยเมยก็คือก็มีอะฉันไม่สนใจอ่ะสู้ก็สู้ไปทุกก็ทุกไปสิลสนนักษณะนี้ตัวอุเปิขาเวทนาเป็นตัวร่วมให้เกิดอะไรโมหะใช่ไหม และโมหะตัวนี้เองก็เป็นตัวร่วมให้เกิดถีนิมิทาหงาห้องนอนอุทั จ, จักความฟุ้งซ่านแล้วก็วิจิสาความไม่แน่ใจลังเลสงสัยนี่คือตัวตัวผลที่มันเกิดจากตัวอุปกรณ์สุกณาที่เราไม่ชัดในอาการของสุ ข, ขทุกข์แต่พออาการสุขทุกข์ชัดแล้วแทนที่จะเป็นอุเปเลยขาเวทนามันเปนอุปเปยขาอะไรสำพชูชง นี่มันพลิกไปตรงนั้นเลยนะอะแทนที่มันจะเปลี่ยนตัวเป็นโมหะมันเปลี่ยนตัวเป็นตัวสัมปชัญญะไปทันทีเลยมีทั้งบวกและลบมีทั้งบวกเลยลบบวกตรงที่ว่ามันไม่ชัดยังไงไม่ใส่ใจชัดต่อสุขต่อทุกข์ที่เกิดเป็นเป็นลบอแต่พอใส่ใจให้ชัดทุกเกิดขึ้นก็รู้ชัดเลยขณะ น, นี้มันไม่สบายนะเป็นบวกแล้วใช่ไหม เออครั้งนี้ทสบายเพลินๆแล้วก็ไม่เสพให้รู้ชัดๆเออเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่สบายนะถ้าเราไปเสพปั๊บเป็นนิเกทีบแล้วเป็นลบคือไม่ชัดเดี๋ยไปเสพแต่กยรู้ชัดๆเนี่ยจะรู้การวิวัฒนาการต่อไปในความสบายตรงนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นความไม่สบายแน่นอนเลยรู้อนาคตของมันเลยในรู้ปัจจุบนันอดีตนาค ต, ตของตัวนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่ารู้อนาค ต, ตแน่นอนเลยไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นถ้าเราไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนปับ๊บมันก็ไปกันก รีเซ็ตใหม่มันก็มันก็เบานะเพราะนั้นวิธีการคือถ้าเราสังเกตว่าเวทนาเริ่มหน่วงเรารีเซ็ตใหม่ทุกครั้งไปจะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงต่อทุกข์เมาสุขไม่ทาราบมาสื่อเข้าใจไหมเนะี่ยเข้าใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อว่าไปคนเดียวแล้วเอ๊ะอะไรพ่อพูดอะไรมันคนละเรื่องไม่ไดนะ้ต้องสื่อใหช้ชัดว่า เ, ออเป็นอย่างเนี้ยเพราะในฐานะเรามีพื้นมาแล้วเนี่ยพอพูดเรื่องเนี้ต้องต้องสื่อได้แล้วล่ะ ใช่ดังนั้นเมื่อเราเห็นเวทนาทั้งสามตัวเนี่ยสุขทุกข์ถ้าชัดทั้งสองตัวตัวที่สามจะไม่เกิดแต่มันจะเกิดเป็นบวกก็คือเป็นตัวรู้ชัดคือ เป็นคิดเป็นกลางทานทีไปอุเปกขาสะโพชงเป็นกลางในสุขในทุกโดยจิตเนี่ยไม่วกแวกวันไหวไปอาการของสุขทุกข์สุขขึ้นมาฉันก็ไม่เสพทุกข์ขึ้นมาฉันก็ไม่แส่ใส่และนิรนใช่ไหมรู้ชัดๆเสียจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอีกเรื่องหนึง่งเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องต้องการศึกษาสุขเวทนาว่าเป็นอย่างไรที่สุด ข, ของมันถ้าเราไม่เปลี่ยนเวลาเจ็บปวดมากๆเราก็ยังไม่เปลี่ยนเราก็ต้องการศึกษาว่าทุกเวทนาที่สุดของมัมันคืออะไร แต่ทุกขเวทนาตัวนั้นถึอจะบีบคั้นกายมากๆแต่ไม่บีบคั้นจิตเพราะเราอะไรตามรู้มันชัดมันก็สามารถเห็นรอยแยกของรูปนามได้เพราะเรากำหนดรู้อย่างดีเลยนะระวังไม่ให้ซึมไปหาใจนะไม่ให้ซึมไปตรงนั้นไม่ให้ปริแต่พอเราเผลอปั๊บเข้าไปเลยใช่ไหรู้สึกความพอใจไม่พอใจกับอาการนั้น อันนี้เรียกว่าเป็นตัวสุขทุกข์ที่เปลี่ยนเป็นตัวอุปเบกขาและเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่ชัดปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอทุกขะมสุขเวทนาเป็นอุปเบกเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นโมหะพระเรารู้อทุกขมสุขเวทนาต้นรักตัวตัวต้นมันคืออะไรอย่าลืมกดสามประการอะนิจังก็ให้เกิดสุขเวทนาทั้งลบทั้งบวก ทุกขังก่อให้เกิดความไม่สบายทุกขเวทนาทั้งลบทั้งบวกและอนัตตาก็ให้เกิดตัวความไม่ชัดเจนในสุขในทุกเป็นตัวอุคกมสุขเวทนาลากรุ่นมาจากอนัตตานี่เพราะฉะนั้นหลักสามประการเบื้องต้นต้อ ง, ต, ง, ต, ง, ต, งตั้งเอาไว้เลยว่าเราจะให้เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวแปลว่าเราจเจริญสัมมาสติได้ถูกต้องแค่ไหนอ่า และสมาสติมันก็เป็นตีคู่กับอมาก็ไม่อยากจะใช้คำว่ามิจฉาสตินะมันแรงไปไอ้ใช้คําว่าที่อาจารย์ว่าพัดว่าสามัญสติเองแหละคือว่าอาจารย์ธรราที่ว่าเน่ะคือสติด้วยทั่วไปอ่ะมันยังต้องไหลไปทํา <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> ไม่มีใครว่ามันปวดขาแล้วจะนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสําหรับคนไม่ได้ฝึกใช่ไหมแต่คนฝึกเป็นเรื่องธรรมดาจะทุกข์ขนาดไหน สมัยก่อนเวลาเขารบกันเขาถูกปืนถูกเกากันเขาก็นั่งให้เยบ็บดิบๆนี่แหละก็นั่งจิบน้ําชาคุยกันไปเดี๋ยวดีไม่เป็นไงผมผููต้องเข้าโรงพยาบาลวางยาสลบที่ยาสลบทีเ่เย็บกันจะเป็นจะตายให้ได้เพราะพลังจิตของคนมันตกดับแล้วแต่คนสมัยนั้นพลังจิตเขาสูงใช่ไหมเขาก็แยกออกระหว่างความเจ็บกับความไม่เจ็บคนสมัยก่อนเขามีพลังตรงนั้นเวลาเราไปอ่านไี่เลย หนังสือพลังภายในอนะรบกันทั้งจีนในสมัยมาเป็นยังไม่ได้ปฏิบัติเขาชอบ่านพวกนี้เราจะเห็นว่าอ๋อการแยกกอกระหว่างความรู้สึกทางกายทางจิตเนี่ยถ้าคนมีพลังจิตสูงเนี่ยทำได้ดังนั้นการเจริญสติของเรามันจะต้องนำไปสู่ความชัดเจนระหว่างขอบเขียระหว่างรูปกับนามกายกับใจให้ชัดว่าเราจะไปใช้ในส่วนไหนนะอันนี้คือ ประโยชน์ของการสังเกตเวทนามีความสำคัญมากมีความสาคัญถ้าหาว่าใครเฝ้าดูจับตรงนี้ให้ชัดเจนไว้เสมอแล้วศึกษาอยู่ตรงนี้เสมอเนี่ยตัวโรกุตระปัญญาเกิดด่างต่อเนื่องเลยนะไม่รู้กลุ่มนี้ได้ฟังเรื่องของภาษาธิบุตรหรอยังมาเล่าไปหลายรอบแล้วนะเคอได้ฟังเรื่องภาษาลิบุตรห ย, ยัง าภาษาลิบุตรนี้ท่านบรรลุธรรมเพาะฟังธรรมเทศนาชื่ออะไรเคยนะน้องใหม่มาทุกรอบก็ได้เคยได้ฟังทุกรอบเอ <laughs> แต่คนนเนี้ยไม่ได้ฟังพระษาริบุตรบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริฆาสูตรเรื่องของเวทนาน่ยเรื่องก็เนื่องจากว่าพระษาริบุตรชื่อเดิมชื่อท่านอะไรนะ อุปติสสะใช่ไหมเป็นหลานของอท่านทีคานาคะอากิเวสนาโคตนะทีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยชัดว่าระหว่างสองค น, ใ, นใครเป็นลุงเป็นหลานกันแน่เอามา ก, ก็หรือว่าทีคานาคาเป็นลุงก็แล้วกันพระาลิบุตรเป็นหลานหรือทีคานคาเป็นคนหนุ่มเป็นหลานของพระซาลิบุตรก็ไม่แจ้งแต่สองคนนี้ได้สนทนาทางเป็นประยามนี่ต่อมาเมื่อพระซาริบุตรตามหาพระพุทธเจ้าเจอแล้วเนี่ย ก็ขอบวชกับเพื่อนคนหนึ่งชื่ออะไรนะเพื่อนวิศาริบุตรชื่อมคลาน ะ, ะเดิมก็เป็นหนุม่มด้วยกันชื่อโกริตาและอุปติษฐ์ก็ตามมหาท่านผู้รู้เพราะไปพบกับการยมิทรท่านหนึ่งคือพระอาจาชิพระอาจชอาจชีก็บอก <c oughs> บอกเหตุของทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะมันเกิดมีเหตุทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรบังเอิญหรอกในพุทธศาสนานี มีเหตุแต่ที่เราบอกว่าบังเอิญพ่อเราไม่รู้จากเหตุของมันเท่านั้นเองทุกอย่างต้องแก้ที่เหตุจกพัฒนาก็พัฒนาที่เหตุมันมีเหตุแต่เราจะตามรู้เหตุไม่ได้ลึกซึ้งแท่ไหนถ้าเราตามรู้ตามรู้ถึงเหตุมันได้ลึกได้ต้นต้ น, ตนเราก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ง่ายแต่ถ้าเราตามหาเหตุมันมาไม่เจอเนี่ยมันก็มาเป็นผลมันก็แก้ไขได้ยากนะ ก็หาฝั่งเป็นเหตุเป็นผลดีก็ไปไปตามไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามแต่ความจริงที่ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้บรรลุธรรมทันทีก็เพราะว่าคนอย่างพระนภาษาริบุเนี่ยเป็นคนมีปัญญามีการเรียนรู้มาสูงเพราะฉะนั้นการที่จะยอมรับอะไรดุนๆุนคงไม่ไม่ใช่ต้องมาพินิษฐ์พิจารณาหาแง่หามุมหาเหตุหาผลทนไปทนมาอยู่นะหลายวันพระพุทธเจ้าตัดอะไรก็ต้องไปคิด ยังไม่ได้ลงในแง่ของความรู้สึกจนกระทั่งลุงคือทีฆานาขาดตามหาเพราะว่าทจำบุติในสนธนารามก็ทุกวันเอ๊ะี่หายไปสิบกว่าวันนะไม่รู้หลานหายไปไหนตามไปตามมาสืบไปสืบมาไปบวชกับพระสมรโคตรมาก็เลยตามไปเห็นพระสารีบุตรหลานเจ้าของมาถวายงานพัดสมัยนั้นเป็นหน้าร้อนก็เข้าไปถามพุทธเจ้าว่าท่าน สอนยังไงเลยสามารถดึงหลานของข้าพเจ้ามาบวชได้ตามปฏิคุณคนนี้ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายนะนเรื่อยๆขนาดขา้าพเจ้านี่เป็นลุงเขาแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับอถึงก็เป็นคบเผยแพร่เรื่องเนี้ยก็ได้เถียงได้ถกกันทุกวันถ้าทำยังให้เขาได้สยบยอมได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าก็รู้ภูมิหลังของในที่ขันธ์ขมกันแล้ท่านเห็นว่าเป็นเจ้าละทีคนหนึ่งเนะก็คุยกันอย่างไรทุกวันอ๋อพวก ว่าตามที่ผมเชื่อว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจสิจ่งนั้นต้องถูกต้องเสมอสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ไม่ถูกใจสิจ่งนั้นไม่ถูกใจก็ไม่ถูกต้องผมเชื่ออย่างเงี้ยอ่าพระรีเจ้าก็บอกว่ามันคงไม่ใช่มั้งถ้าก็ใครคนหนึ่งมาทําร้ายท่านเนี่ยท่านโกรธขึ้นมาเนี่ยหรือท่านจะฆ่าจะแกงเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านทํา ไปแล้วมันสุกใจสามารถแก้แค้นเขาได้สามารถทำร้ายเขาได้หรือสามารถฆ่าเขาได้ท่านก็สุกใจถูกใจท่านแล้วมันถูกต้องตามกติกาทางสังคมหมเออชักได้คิดเลยนะหรือบางคนเ <c oughs> มื่อเป็นโรคร้ายแรงแล้วหมอต้องผ่าตัดถึงจะหายแต่การเข้าสู่การผ่าตัดไม่มีใครชอบใช่ไหมไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ถูกใจใครเลยแต่จำเป็นต้อง <c oughs> เข้าผ่าไม่ถูกใจแต่ถูกต้องไหมถูกต้องพ่อหมอต้องเอาโรคออกซักอย่างนี้หลายตัวอย่างเข้าหลายตัวอย่างเข้าจักเถียงไม่ออกในนี้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่ท่านเชื่อเนี่ยมันเป็นเพียงเวทนาคือเป็นเพียงความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวสัจธรรมไม่ใช่ตัวปัญญามันเป็นเพียงเวทนาเพราะนั้นตัวปัญญาต้องเข้าถึงเหตุของสิ่งนั้นแต่ที่ท่านเชื่อมันเป็นผล ในที่สุดท่านก็สนทนาธรรมกันเรื่องเวทนาที่เราพูดกันมาเมื่อกี้พูดกันมาว่าเวทนามันมีเหตุมาจากอะไรเหตุมาจากไตรลกักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนุจังทุกขงาาังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติของสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เป็นรูปธรรมหรือนา ม, มารูปรูปนามก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้กฎนี้ทั้งหมดเราจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นตามกฎนี่มันมีอยู่อยู่แล้วแต่เรามาค้นพบแล้วก็มาบอกมาชี้แจงเท่านั้นเอง ที่ท่กากล่าวไว้ในธรรมนิยามมนะันนะแต่ทารุณจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่กฎของอ น, นิจจังทุกข์มันจะมีอยู่อย่างเนี้แล้วพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็ต้องมาค้นพบกฎอันนี้แล้วมาสอนเท่านั้นเองอแล้วทีนี้จ ะ, จะเจริญธรรมเอาตัวเวทนาที่จะไม่ให้มันตามเข้าไปให้ให้เกิดทุกทางจิตได้อย่างไรให้มันทุกทางกายเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมดาทุกคนที่เราเจออยู่แล้วแต่การที่จะ ไม่ให้เวทนาต่างๆเข้าไปครอบงําจิตนั่นได้โดยอาศัยการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วท่านก็ตรัสสติปัฏฐานสีเรื่องกายแล้วเวทนาทางกายมีอะไรบ้างเวทนาทางเวทนาตัวจิตและอารมณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วดูเวทนาเข้ามาเป็นตัวที่สองไท่านก็ตรัสรายละเอียดเรื่องนี้ว่าความเชื่อของท่านเป็นอันตรายถ้าคนในปัจจุบันก็ละทีของบละทีคนะขะเจริญกว่าพุทธเจ้านะ ละที่ที่เป็นวัตถุนิยมทั้งหลายเนี่ยอ่าไม่ใช่ริซึมเนี่ยใช่ไหมเจริญกว่าคนก็ไปติดวัตถุเพราะมันถูกใจเขาก็ถือว่าถูกต้องละอะไรที่เขาต้องการเขาเอาให้ได้ถึงแม้ว่าจะทําทุจริตผิดกฎหมายเขาก็ก็ยอมแต่ขอให้ได้ทซั์สิ่งนั้นมาสนองความถูกใจของตัวเองก็แล้วกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าละที่นี้มันหายไปไหนนะแต่มันออกมาแปลในรูปของละที่เขาเรียกโลกายัตคือละที่วัตถุนิยมละที่เอา เรื่องติดของโลกก็เจเริญเติบโตมาแล้วแข่งขันกันในการเจริญทางด้านวัตถุและที่ของทันทีขานะคะมีที่ผลมากจนถึงทุกวันเนี่ยและพระพุทธเจ้าก็แก้และทิ้โดยวิธีการที่ไปตอบสนองตัวปัญญาไม่ใช่ตอบสนองตัวเวทนาเพราะตอบสนองเวทนาด้วยขาดสติแล้วมันก็เวทนาก็ให้เกิดอะร้รในปฏิสุบสัต อ่าเอาว่าใหม่อ่าก็ให้เกิดเอาดิไม่ถูกแล้วดิเวทนาอันนั้นเวทนาในขันห้าแต่เวทนาติดปฏิสุบัติเวทนานั้นมาหลายที่เลยนะเวทนาที่เป็นเหตุของทุกข์คือเวทนาที่มาในปฏิสุบัติแต่เวทนาในขันห้าจะเป็นตัวหลักคือรูปเวทนาสฉายสังขารวิญาณแต่เวทนาที่จะเป็นตัวดับทุกข์คือเวทนาที่มาในสติปัฏฐานสี่คือกายแล้วก็เวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาที่มาในปฏิสุบัติว่าอวิชาก็ให้เกิด สังขารใช่ไหมสังขารก็เกิดวิญญาณยิญาณก่อเกิดนามรูปนามรูปก็เกิดสราญชนะสรายเกิดภาษสะผัสสะก่อเกิดเวทนาเวทนาก็อให้เกิดอะไรตัณหาเห็นไหมถ้าสมมุติว่าคุณไปวิ่งตามเวทนาตัณหาก็เกิดไปอย่างขําสิเออดังนั้นต้องเวทนาต้องเป็นสิ่งที่ต้องถูกรู้ไม่ใช่ไปตามมันก็ ไม่ใช่ว่าเถียง ก, กันกับที่การณ์อากาศนะว่าก็แลก็อยู่กันแต่ถ้าให้ที่การณ์อากาศชี้แจงไปให้หมดทฤษฎีหมดความเชื่อถือเต็มที่เลยแล้วพุทธิยากมาตลบอีกทีหนึ่งเนี่ยชี้แจงปรากฏว่าพอโจมเทศนากรนี้ความจริงท่านต้องการแสดงเรื่องนี้กับคนข้างหลังน่ะแต่พูดกับคนฉลาดพูดโดยตรงไม่ได้ทั้งเลยพูดไอ้คนข้างหน้านี่แหละความจริงคนข้างหน้าท่านไม่ตั้งใจจะให้เข้าใจอย่างที่ท่านพูดนะยังไงก็อาจจะ อาจจะไม่เปลี่ยนทแต่ว่าฟังแล้วได้เปลี่ยนปารากฏคุณข้างหน้าบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแยกรูปแยกนามบอกแยกเวทนากับจิตออกจากกั น, นได้ออ้มาเป็นอย่างนี้เองได้เป็นพระโสดาบันแต่คนข้างหลังเป็นเป็นพระอราหันต์บรรลุธรรมได้ได้ไดบรรลุธรรมเป็นพระอราหารันต์ทำมิเทศนากันเดียวเนี่ยแต่มีคนเข้าเข้าถึงธรรมถึงสองคนข้างหน้าเนื่องจากว่าเหนียวแน่นมากใช่ไหมแต่เป็นพระโสดาบันก็ถือว่าดีมากแล้ว ข้างหลังนี่มีความพร้อมสูงบรรลุภารันเลยเป็นวันที่สิบห้าหลังจะออกบวชนะถ้าหากว่าทัานทีค้าขาไม่มามาตามหานะก็คงจะยาวกว่า น, นั้นแหละเพราะคนรู้มากขี้สงสัยใช่ไหมไม่รับอะไรง่ายๆอันนี้เวลาฟังพุทธเจ้าขนาดฟังมาสิบกว่าวันแล้วก็ยังไม่ลงให้เลยจนกระทั่งมาฟังสนทนาธรรมระหว่างทีขาขา่ข้านัข่ก็เลย สาโตลิโดยไม่รู้ตัวนะโดยที่ไม่ต้องเกิดการยอมรับโดยที่ไม่รู้ตัวพุทธิย่าก็คงจะรู้วาลาจิตของท่านนะนอ่าก็ใช้วิธีตีกลับข้างหลังในที่สุดท่านก็แตกฉานเรื่องนี้มากเลยหลังจ้าหน้าเี่จับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพิจารณาทุกเรื่องเพราะได้ฟังธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปริกหาสูตรใครมีเวลาไปพิคุรายละเอียดก็ได้ไปดูก็เองก็แล้วกันนะเพราะว่สูตรนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปพิคดูก็แล้วกันเป็นเรื่องใหญ่มาก ดังนั้นเองก็เรื่องนี้จึงไม่เชิง เ, เรื่องเล็กน้อยที่เราจ ะ, ะศึกษากันผิวพิวเพืนเพืให้ให้ชัดไปทีได้จุดไปจุดไหนที่ยังพราลาดมัวมัวไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปมาตั้งต้นจุดใหม่ตั้งต้นทีอ่อความสบายกายเป็นยังไงก็พิจารณาความสบายกายมือเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้คนทั้งหลายก็ไปติดความสบายกายทั้งนั้นเลยใช่ไหม ไปดีดความสบายลูกก็ต้องให้ดูแล้วให้สบายตาเสียงฟังแล้วก็ให้มันสบายหูกลิ่นฟังกลิ่นดมแล้วก็ให้มันหอมพวกอุตสาวปลูกต้นไม้ทั่วบ้านทั่วดอกไม้ดอกไม้พันไม้ที่เป็นดอกทั้งหลายที่หอมทั้งหลายยังไม่พอไปกันเป็น้ำหอมขายควรลหลายหมื่นหลายแสนแของของของฝรัง่งเศสใช่ไหมน้ำหอมชนิดต่างๆ แล้วก็ความอร่อยอร่อ ย, ออยทั้งลิ้นก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้คนเป็นเกิดกิเลสด้เรื่องลิ้นมากที่สุดจนจะว่าครัวไทยกลายเป็นครัวอะไรครัวโลกไปแล้ว <c oughs> ดีใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในยุโรปอเมริกาเจ้าของร้านอาหารไทยนี่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นใครเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นแคนเป็นเวียดนามแต่เ อ, เอาเอาคุกไทยเข้าไปนะ ว่าไทยไม่มีความสามารถราทองท้านภาษาที่จะไปต่อสู้รบทางด้านกฎหมายอะไรกับทางรัฐบาลแต่พวกนี้เขามาอยู่กันนานความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาสูงมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นนับน้อมาไปที่นิวยอร์กที่ลองไอแลนมันจะไปที่วัดพุดทธธรรมวัตทิพที่ลองไอแลนไม่ทันน้อมาก็แวะเข้าร้านของเวียดนามฉันเพนยี่ก็เขาเขาทาอไอเสื่อนะเสื่อมาถ้วยใหญ่เลยนะอาหารเวียดนาม ขณะที่ฉันอยู่เนี่ยได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่ดังร้านเนี่เหมือนใครแล้วเหลียวไปดูระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจกับเจ้าของร้านทะเลาะกันจนตำรวจเดินหนีเฉยเลยอ่ะพวกเวียดนามเดี๋ยวเขาแน่จริงๆนเะเขาแข่งกล้าวแล้วก็เหตุผลนี่คือเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในในอเมริกาที่จะเป็นเจ้าของกิจการอะไรเนี่ยเวียดนามนี่แน่นอนมากเลยนะเขาดีพอสมควรแต่คนไทยของเราเป็นคนอ่อนโยนใช่ไหม คุอ่อนโยนเพราะฉะนั้นก็ไปทําหน้าที่เป็นกุ๊บเปส่วนใหญ่นอกเรื่องไหนนะก็พูดถึงเรื่องเวทนาเพราะว่าทำไมคนถึงติดรสชาติอาหารของอเมริกา <c oughs> เดี๋ยวนี้คนอเมริกันก็หันมาทานมากขึ้นอันนี้คือความต้องการความบันเทิอร่อยเป็นสุขเวทนาคนก็ยึดติดรสและสุขเวทนาขอให้เกิดทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าสวรรค์ทั้งหกมาจากเวทนานั่นเองคนที่เวทนาติดเวทนาความทางตาก็สวรรค์ชั้นที่หนึ่งแล้วคนที่ มีความสําเร็จในเวทนาทางหูสวรรค์ชัน้นที่สองคนที่ยึดติดเวทนาได้สําเร็จในเวทนาทางจมูกสวรรค์ชั้นที่สามาคนที่ติดยึดสุขในเวทนาและหาสา ม, มารถ ห, หาเงินหาทองหาข้าส ม, สมบัติมามากสา ม, มารถตอบสนองเวทนาทางตาหูจมกูกลิ้นก็เวทนาสวรรค์ชั้นที่ชื่อชั้นอะไรชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าดุสิตาเพราะว่าประสารับลิ้นไงแปลว่ายินดี ปรสาทรับรู้ที่เกิดความยดีดุสิตดุสดีแล้วก็ทางกายสังกายสวรรค์ชั้นที่อะไรสวรรค์ชั้นนี้เราไม่คยคุ้นชื่อว่าสวรรค์ชั้นนิมมาลรดีเกิดความพอใจในสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่มาถูกต้องกายทั้งหลายสวรรค์ชั้นที่ห้าคนก็เป็นโลกเยอะเลยเป็นโลกเอตเพิ่มพูดถวันเพิ่สวรรค์ชั้นนี้นะเทวดาตกสวรรค์จาก เทวดาในสวนรรค์ตกมาเป็นโรคเอ็เลยไปมั่วไปมั่วเรื่องชุกเวดาทางกายนะ <c oughs> แล้วเวทน า, าทางใจสวรรค์ชั้นที่หกคือปรานิมิตสวดัดีอันนี้จะไม่ลงลึกในเรื่องของทรืงสวรรนะค์นะให้รู้ว่าเวทนาทั้งสามก็คือเป็นทั้งปากทางแหง่งนรกก็ได้เป็นปากทางแหง่งนิพพานก็ได้เป็นปากทางแหง่งสวรรค์ก็ได้ เป็นปกทางไปสู่มนุษย์ก็ได้รู้เรื่องเวทนา เ, เรื่องเดียวเลือกไปได้เลยว่าคุณจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปมนุษย์ไปนรกเลือกได้เลยอยู่ก็ว่าเราจะมีสติรู้เท่าทันหรือไม่ถ้ามิไม่มีสติรู้เท่าทันก็ต้องไปสวรรค์กันนรกไปสวรรค์ก่อนหมดโปรโมชั่นสวรรค์ก็ตกนรกตกนรกทันทีแต่ถ้าหากว่าเราเจริญสติแล้วเราก็แปลงเวทนาไปสู่ตัวมรรคนิพพานได้ทันทีเหมือนกัน นี่คือทางของมันทางสามแง่คือเวทนาเป็นทางสามแง่ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ไปสู่นิพพานทางใดทางหนึ่งพอเรามาเจริญสติอย่างนี้แยกเวทนาชัดเจนว่าจ ะ, ะเป็นโทษรู้แล้วก็ไม่ไปตามเสียมันก็เดินทางไปสู่มรรคผลได้ง่ายขึ้นนะเ<โ>มื่อภาษาริบุตรฟังอย่างนี้แล้วก็โอ้เข้าใจชัดเจนแล้วปรากฏว่าท่านเป็นเลิศทางปัญญา เป็นธรรมเสนาบดีเป็นอัค ร, ราสาวกฝ่ายขวาที่พระพุทธเจ้าไว้าวางใจเมื่อพระองค์มีขิจภาระที่จะปลีกวิเวกไปที่นู้นนี่ไม่ได้อยู่เนี่ยก็ให้พระสารีบุตรทําหน้าที่แทนหรือพระไปถามปัญหาเนี่ยท่านไม่มีเวล า, เาไปถามพระสารีบุตรก็แล้วกันแล้วก็ชี้ปทฏิปทาสารีบุตรสิ่งที่พระสารีบุตรตอบมากับพระพุทธเจ้าไม่ได้ด่างกันเลยนี่คือการมาศึกษาเรื่องเวทนาเพราะนั้นอย่ามองข้ามความรู้สึก เล็กๆน้อยๆเ ย, ย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเจ็บปวดอะไรต่างเข้าไปตามรู้เข้าไปศึกษาว่าขณะนี้เราตึงเนี่ยมันตึงขั้นไหนขั้นต้นขั้นกลางมีขั้นสูง <c oughs> ขั้นสูงเรียว่าขั้นหยาบขั้นโตน้วยขั้นสบายทนได้สบายนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานในรู้รศึกษาก็เรื่องรูปนามเรื่องกายหยาดอุปสรนาใช่ไหมวันนี้อันที่สองเราจะศึกษาและปฏิบัติกันเรื่อง เวทนาหรปัศนาใครจะเอาสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าสุขถ้าหากไม่รู้ท่ทันสุขเวทนาแล้วไปไงง่วงเบื่อซึมไปเลยนี่เขาเรียกว่าไม่ทันแล้วแต่คนไหนไม่รู้เท่าทันทุกเวทนาก็เกิดอาการเบรื่อซึงเมื่อยขี้เกียจไม่สนุก ใชจก็จะทิ้งเรื่องเหล่านี้ไปนั่นหมายความไม่รู้เท่าทันทุกเวทนาเมื่อรู้เท่าทันเวทนาทั้งสามระดับแล้วก็ปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาให้เวทนาพอดีเบาบางเมื่อเวทนาบอดีเบาบางโอกาสด้วยท่านบอกไว้เลยนะั้นในโพธิราชกุมารสุดรถ้าสามารถปรับเวทนาเบาบางได้ตลอดเวลาเนี่ยแต่ไม่ใช่สุขแต่ก็ไม่ใช่ทุกนะแต่ใช้คำว่าเบาบางบางทีปฏิบัติเช้าอาจจะบรรลุเย็นก็ได้ท่านว่า หรือปฏิบัติเย็นอาจจะวัุ่ยเช้าก็ได้เพราะสาเหตุเพราะว่ามีคนไปถามท่านโพธิราชกุมารเนี่ยซึ่งเป็นราชูมานของพระเจ้าประสิทธิโกศุลใช่ไหมท่านเป็นมหาอุปราชต้องพาคนไปป้องกันประเทศลบทัพจับสื่อมาวันหนึ่งท่านพาคณะอทหารไปทำหล้าที่ก็ผ่านมาทางนั้นเห็นเขาฟังธรรมอยู่ท่านก็เข้าไปพอฟังธรรมจบ เขาไปถามเอคนที่จะเข้าถึงธรรมของท่านเนี่ยมันจะต้องเป็นคนวัดคนว่าคนที่สนใจเขาวัดเข้าว่าอย่างข้าพเจ้าเนี่ยมีภารกิจต้องรับผิดชอบทําหน้าที่ปกครองบริหารการปกครองมีโอกาสบ้างไหมที่จะเข้าถึงเศรธรรมของท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนมหาบพิตรเศธรรมของเราตถาคตนั้นเป็นสาธารณะต่อคนทุกคนทุกคนเข้าใจได้แต่มีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เพราะนั้นเงื่อนไขสําหรับที่จะเข้าถึงได้ง่ายได้เร็วอย่างท่านเนี่ยหนึ่งต้องมีศรัทธา <laughs> ลเลาะก็อนเลยต้องมีศรัทธาคืออยากจะรู้เรื่องนี้ต้องมีความอยากจะรู้เรื่องเนี้สองเมื่ออยากจะรู้ก็ลงมือพิสูจน์มีวิริยะใช่ไหมลงวิสูจน์อย่างถูกต้องสามต้องมีเวทนาเบาบางนี่ตัวสามต้องมีเวทนาเบาบางอะาแสดงว่าสําคัญนะสี่ ต้องเป็นคนตรงไว้ตรงมาคืออย่าบิดเบี้ยวกับภาวะที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือไม่หลบไม่หลีกไม่เลี่ยงสมมติทุกอย่างนี้ท่นออกทางนี้ถ้าสุขย่านี้ท่าก็ไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ซื่อแล้วขาซื่อหมายความภาวะอะไรก็เกิดให้ใหรู้จักภาวะนั้นตรงๆท่านใช้คำว่ามีความซื่อในการสังเกตเป็นฉันชัดเจนเลยทีเดียวอันที่สี่เนี่ยมีความซื่ออันที่ห้ามีสติสัมปชญะที่ปกติเข้มแข็ง ไม่มีสติมญยาบกพร่องหรือเลอื่อนเรือนนะมีคนแก่อายุมากหรือเป็นคนที่มีโรคภัยมากเนะี่ยมันเวทนามันแรงใช่ไหมพอเวทนามแรงสติมียาผักเลื่อนเรือนนะอันนี้ยากท่านว่าแต่มีสติมียาเข้มแข็งชัดเจนท่านบอกถ้าท่านทําตามเงื่อนไขห้าประการนี้อย่าว่าแต่ท่านเลยทุกคนที่ยุ่งที่สุดน่ะถ้าทําตามบรรลุได้เข้าถึงได้ แต่ต้องมีเงิน่นไขแต่ที่น่าสนใจประเด็นก็นคือว่ามีเวทนาเบาบางท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิปัญญาเรื่องศีลอะไรเลยใช่ไหมแต่มาพูดถึงเรื่องเวทนาเบาบางแสดงว่า ม, มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นพิสูจน์ใหม่ชื่อว่าโพธิราชกุ ม, มารสูตรท่านนำมาตัดใครว่างไปพิกดูในพระไตรปิฎกหน่อยก็แล้วกันว่ารายละเอเียดเป็นอย่างไรอันนี้หยิบยกมาเฉพาะที่ให้เห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญ บริหารเวทนาให้เบาบางจะให้หนักเกินไปถ้าเบาเกินไปก็นั่งง่วงอะใช่หมนั่นเป็นสุขเวทนานี่ทําไงก็ถ้ารู้สึกเบาเกินไปเหมือนง่วงก็ปรับให้มันหนักหน่อยบีบแค่นบีบขานวดหน้านวดตาหนวดคอบีบจมูกตัวเองให้หายใจมาออกเดี๋ยวไม่จะตื่นอันนี้นั่งเออมีวิธีแก้ดึงเยอะแยะลแต่เราไม่แก่อ่าเพราะอะไรเพราะศรัทธาไม่พอความเพียรไม่พอย้อนไปตรงนั้น ถ้าศรัทธาพอความเพียรมันจะเกิดการดิ้นรนใช่ไหมต่อสู้พลิกแพลงหาวิธีจะออกจากมันอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญนะเพรา ะ, ะนั้นนั่งไปแล้วไปเสีสุขง่วงไปง่วงมาเนี่ยแสดงศรัทธาและความเพียรไม่พอต้องเพิ่มมีวิธีเยอะโอ้มันง่วงอย่างนี้เลยด้วยฉันบีบจมูกแกเลยอบีบจมูกสหอาที่ดูจะง่วงเลยมันมีวิธีเยอะแยๆที่ฮารอนึกได้เนะ่ะท่านปรมาจารย์ทักหมออันนี้เรื่องประกอบอีกนิดนึง ปรนะวัติเล่าว่าที่อันนี้เอามาไม่รู้เข้าแ ป, ปลถูกแปลผิดนะนั่งเมื่อไหรก็ง่วงเพราะท่านหันหน้าเข้ากําแพงตอนที่ต่อสู้กับเจ้าลทัทธินในในจีนสมัยนั้นนะ่ะหลังจากเอาชนะเปลี่ยนใจของเจา้าพัดหูได้เนี่ยท่านพอใจมากท่านหันหน้าเข้าแพงนั่งสมาธิเ้าปีเลยอในช่วงนั่งสมาธิเก้าปีหูง่วงได้ง่วงดี ในสุดเขาบอกท่านจะว่ามีโกนมาเฉียนหนังตาทิ้งเลยมันจะได้ไม่หลับตาแต่มาว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเออถ้าโกนคิว้วดึงหนังดึงขนตาเล่นนี่ก็พอเชื่อใช่ไหมอันนี้เฉียนหนังตาออกมาว่ า, า, าโหดเกินไปเออถ้าว่าเออเวลามันง่วงเมื่อไหร่ก็ถอนขนตาบางถอนขนคิ้วบ้างเอ อ, อย่างนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้นะออท่านบอกว่าเอาเว่าขนคิ้วขนตากนันที่ท่านถอนทิ้งไปเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นต้นชา เจนถึงทุกวันเนี่ยเนี่ยต้นชาทุกวันนี้เกิดมาจากเรียกว่าไอ้ไอ้ไหนังตาของท่านครับผมเขาโพดีทำมันโหดเกินไปเนะเอานขนคิ้วคนตาท่านที่ท่านถอนทิ้งกันแล้วกันที่ตกตรงนั้นกายขึ้นมาเป็นต้นชาจนถึงทุกวันเนี่ยต้นชาเพราะฉะนั้นเองก็เลยเป็นสิ่งที่ลือลั่นมา ก, กว่าเออท่านทําจริงนะแล้วท่านก็เป็นปรมาจารย์เซนคนแรกปฐมวัจจารย์เ็นของประเทศจีนใช่ไหม อ, อย่างสวอรค์ราชองที่หนึ่ง จนมาถึงท่านวุนหุยล่างใช่ไหมหุยหนึ่งมนาะถึงองค์ที่หกถึงได้ท่านตัดธรรมเนียมอะไรออกไปดังนั้นเองการต่อสู้กับความง่วงต้องหาวิธีเค็ดลับของตัวเองที่จะแก่ว่าเราเพราะความง่วงมันเกิดมาจากเราเสพสุขเวทนาความองม่วงก็มีสาเหตุมาหลายอย่างที่กล่าวไปครับก่อนนิดหนึ่งนอนเมื่อคืนนั้หน ห, นหนลับไม่พอ แอบไปคุยโทรศัพท์บ้างแอบไปทำงานบ้างหรือแอบคุยกันแล้วพุ่ง่านแล้วหลับแล้วมันก็เลยฝันต่อนอนไม่สนิทพอตื่นเช้าคนมาง่วงง่วงง่วงอันที่สองสุขภาพไม่ดีอันที่สามอาจจะทานยาบางตัวที่รักษาโรคมีลทตากดทางประสาทอันที่สี่ <c oughs> มออาหารกินข้าวเยอะเกินไปโดยเฉพาะหลังเพยนี้นนะอันที่ห้าก็าคืออารมณ์ ยึดในสุขเวทนาไปเสพในสุขเวทนาสาเหตุเหล่านี้ก็ให้เกิดความง่วงได้ทั้งนั้นเลยเราเป็นประเด็นไหนนะลองเช็คดูก็แล้วกันหาสาเหตุให้เจอแก้ที่ต้นเหตุของมันนะวันนั้นเฉะนั้นวันนี้เราจะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะที่หมายความว่าต้องรู้ว่าในการนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีเวทนาตัวไหนมันมาก่อนระหว่างสุขเวทนาทุกเวทนา อุทุกขมสุขเวทนาแต่ตัวที่สามเนี่ยถ้าเราชัดเจนเห็นแจ้งในสุขในทุกที่กําลังเกิดขึ้นตัวที่สามมันจะไม่เกิดอุทุกขมสุขเวทนามันจะไม่เกิดแต่ถ้าหากก็ไม่ชัดสองตัวในตัวที่สามต้องเกิดแน่นอนคือมันภาวะที่ไม่ชัดเจนเบื่อเบอืเบอง่วงฟุ้งซ่านลังเลตรงนี้แหละเป็นผลมาจากอุทุกขมสุขเวทนาคือไม่ชัดเจนมีสติกำลังรู้เวทนาไม่ชัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้น ดันั้นเองการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิยบดในขณะแต่ละขณะขณะขณะนั้นคือการปรับเวทนาอ่ามัไม่ไม่ต้องว่าอ่าเรานั่งได้ไม่นานคือเอาแค่ไหนแค่แคนั้นแต่ว่าให้เป็นที่ตั้งของการศึกษาเอาเวทนาทั้งสองตัวสามตัวเป็นที่ตั้งของการศึกษาไม่ใช่ว่าเอาเป็นที่ตั้งว่าฉันจะทําให้มันได้อะไรไม่ได้ที่ตั้งของความอยากได้แต่เป็นที่ตั้งของการศึกษา แล้วเราจะได้เวทนาที่พอดีแล้วก็ทําไปซึ่งก็ถ้าทําไปแล้วบางคนสติยังไม่เข้มแข็งหลวพ่อต้องเข้าไปช่วยอนะนั่งงับแต่ตอดูเรืแรกยังงืบงับตอนแรกยังไม่รบกวนนะหลวงพ่อให้โอกาสให้เขาได้ใช้สติปัญญาตเต็มความสามารถไลยก่อนพอมารอบที่สามยังงึบงับอยู่เอาแล้ทีนี้ต้องช่วยแล้วพี่เลี้ยงโดดขึ้นเวทีแล้วตอนนี้เพื <c oughs> <c oughs> ่อนก็โยนผ้าน เพราะนั้นเรื่องนี้เราต้องทําให้เป็นเกมแล้วมันจะสนุกนะให้เป็นเรื่องแล้วจะต้องงบนอย่างนี้มันจะไม่สนุกอนะให้เป็นเกมแล้วก็ศึกษาดูถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยหูมันบุรณการไปได้ทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องเลยการใช้ชีวิตของเราจะง่ายได้นะแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีะความเบาสบายและมีความสุขโดยที่ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องเสียเวลาไปพักผ่อนไม่เสียเวลาไปเสีสุขกับ รูปเสียงกี่รถที่ไหนเลยหาอยู่ในเวทนาที่พอดีนี่แหละนะฮันช่วงเช้าวันนี้ก็เราจะศึกษาเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในการที่ตั้งใจทำความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของเวทนาทั้งสามตัวคือสุขเวทนาทุก เ, กเวทนาทุกขามาสุขเวทนาให้ชัดเจนแล้วมันก็จะเข้าใจรากเข้าใจรู้เข้าใจที่ไปที่มาของอ บุญของบาปของมรรคของผลในความตั้งใจนี้จะเป็นพระปัจจัยให้เรามีความเข้มแข็งความชัดเจนจนเห็นแจ้งในทุกเวทนาด้วยกันทุกคนทุกท่านทืตอาุากราพรอมกันอระหังสัมมาสัมพุทธ佛法ขาว พุทธังพรควันตังอภิวานีสวากาโตะพระคาวาธรมโมธรรมนัมสามมิ สุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆสังขังนามาออิก็ในะช่วงที่รอรับประารแล้วก็จะเดินจงก่มเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปได้นั่งหรือรอเสเวลาจด้จงก่มรับ